มองเยาะองเหยาะค่ วันนี้อาจารย์สมใจส่งมาถูกส่งมาอาจารย์โยกิเทศใจมาเพราะว่าจะนิมนต์อาจารย์โยติกิเทศเหมืน ม, ม, มีชาวญี่ปุ่นมาจากเชียงใหม่จะมาฟังธรรมชาวญี่ปุ่นฟังคนไทยสอนไม่รู้เรื่องที่เชียงใหม่คนญี่ปุ่นวันนี้ไปหาอาจารย์โยกิจะฟังสอนจาริสติภาษาญี่ปุ่น อาจารย์นิมนลท่านเทศภาษาญี่ปุ่นเราก็ฟังไม่รู้เรื่ององีก <Okay. S 1> คนไทยเยอะกว่า <c oughs> วันนี้ก็หาตานะน่าจะเป็นกลุ่มที่ทอกตกค้างอยู่ส่วนหนึ่งเป็นไงอะไรออกกนันมาบ้างวันเนี้ขอนมาสองร้อกว่าเมา็ดแล้วทํายอดได้ดีมากเขียวปือก็ตั้งใจทําที่เขาบอกอย่างเกร่งครัดแต่เวลาแต่เวลาเขาพยายาม ของก็เลือกเอาคุณภาพคุณภาพทำทั้งทีพยายามศึกษาไว้ด้วยถูกต้องต่อเนื่องตรงไปตรงมามันก็มีฤทธิ์มีผลแสดงออกมาได้เห็นของที่อยู่ในตัวนะถ้าเป็นอย่างที่เขาพูดนะจำนวนไม่น้อยทีเดียวเราก็มาปฏนบัติทำกันวันนี้คืน คืนสู่สภาวะปกตินคนก็นหายออกไปก็เหลือแต่กลุ่มที่ตั้งใจสวดมนต์ทำวัดนัปฏิบัติทมกั น, นเรามารวมตัวกั น, นทาวัดจบอาจรสมใจกบพาสวดเราก็ได้สวดกันน้อมเข้ามาใส่ตน คำสอนคำสอนจริงๆแล้วอดีตเนี่ยไม่คิดด้วยอะไรนะคิดยอยากคิดด้วยอะไรอนาคตก็อย่าคิดด้วยความวิตกขงังวลคิดได้เจตนาคิดนั่นแหละทำงานทำการประสักดิ์กมประสบการณ์เก่ามี แต่ว่าการฝึกเนี่ยเบื้องต้นให้มาปัจจุบันซะก่อนเพราะว่าปัจจุบันจะแยกให้คิดอดีตคิดอนาคตแยกให้ส่วนใหญ่เป็นความคิดที่ไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ยิ่งเป็นตัวที่มันคิดขึ้นมาเองนั่งเดินยืนนอนคิดขึ้นมาเองลำบากถลงเผลอไปบบกวน มันการเคลื่อนไหวร่งกายนี่เป็นตัวฉุดออกมา ก, ก่อนจากความคิดใหม่ๆเรียกกระตุกออกมาก็ได้มาอยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัวเพื่อให้สติมันเข้มแข็งจริงๆว่องไวจริงๆมันเหม็นการปรุงแต่งพอเหม็นการปรุงแต่งก็กลับเป็นปกติได้ใหม่ จนมันเห็นความเป็นปกติชัดนะก่อนที่จะเผลอหลงไปมันก็จะเห็นอยู่เป็นสติก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำํำขณะคิดขณะพูดขณะทำํำลองคิดหลังพูดหลองทําพอรู้สึกตัวนี่แหละนะพอรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้สึกไปเรื่อยๆเมื่อเกิดความเป็นเองนะ มันมันไม่ใช่ว่าจะต้องจดต้องจําแล้วก็วาดมโนภาพนะมันไม่ใช่วาดมโนภาพนะแต่หมายถึงเป็นการสัมผัสลงไปแล้วกนะ็เป็นเรื่องของกรรมาฐานมีผลทันทนะีเหตุคือการเคลื่อนไหวนะมีสติรับรู้นะสติก็คือจิตนั่นแหละนะรู้ในสิ่งที่กําลังทําอยูนะ่สัมผัสสัมผัสรู้สึกรู้สึก เดินก็นรู้สึกยกมือก็รู้สึกหันซ้ายหายันขวาก็รู้สึกอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามสัมผัสก็รู้สึก mm hmm. จนมันชัดนะเป็นความรู้สึกตัวทั่วสัลปางกาย mm hmm. มันทั่วพร้อมทั่วสัลปางกายเป็นความรู้สึกมันจนมันรู้ว่าเออมีกายสังขารจิตตสังขารมันรู้ของมันอยู่หรอ ภาษาพูดบ้าสังขารคือการปรุงแต่งของกายโดยเพราะว่าความรู้สึกตัวที่มันชัดเราจะเห็นความปรุงแต่งที่จิตมันปรุงแต่งแตละขณะแตละขณะชัดเจนมากเป็นจิตตสังขารมันเป็นอุปทานยรูปอุปทานยรูปมันเป็นรูปของอุปทานที่เข้าไปยึดเป็นนามรูปะ มันไม่ใช่รูปนามนะถ้ารูปนามเป็นเรื่องของมหาพุทรูปมหาพุทรูปร่างกายของเราเป็นรู ป, ปขันรู ป, ปธรรมมันก็สัมผัสได้แต่เาความเด่นความเด่นของความเป็นปกติความเด่นของสตินะี่มันจะมีความเป็นกลางแล้วก็ว่องไวเราจเป็นการเปิดๆ เ, เลยนะเราไม่ได้ล็อกๆ หม่ได้ไปคาบระคอนอะไรมันเปิดเปิดธรรมดาล่ะมันเป็นธรรมชาติเราก็เลยเหมือนกับว่าค่อนข้างสะดวกในการปฏิบัติอยู่ตรงไหนก็เป็นการปฏิบัติมันไม่ได้แยกอะไรเลยนะเป็นกรรมฐานทั้งหมดทั้งสิน้นเลยจะกินจะรับทายจะดื่มจะเกินจะพูดจะนิ่งอะไรก็ตามจะหลับจะนอน มกเป็นเรื่องของกรรมาฐานนะสติเลือกรู้ชำนาญขึ้นเหต น, ะนาการณ์ต่างๆที่มันจ้อนจ้อนเหมือนเหมือนเดิมทุกวันนะแต่ว่าความไวในการปล่อยในการวางนะมันรู้จักอยู่นะมันมันชำนาญนะรู้ปั๊บมันก็วางเลยมันเลือกได้มันเลือกเป็นอันนี้คือความเป็นเองนะ ที่เราไม่ต้องชิดเอาเพียงแค่เคลื่อนไหวรู้สึก <les. S 1> มันก็จะเป็นการเดินทาง <assets. S 1> เป็ น, เ ป, นเป็นการพัฒนาด้วยตัวของตัวมันเองเรากำหนดที่ฐานกายนี่แหละท้ายสุดก็เป็นลักษณะของเวนาจิตธรรม<น>ธรรมชาติ<น>มากมายเหลือเกินถ้ภาษาใน พระไตรปิฎกบอกแปดหม่นสพเรื่องนั่นมันเยอะจริงๆแต่มันก็รวมเป็นหนึ่งะก็คือความรู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นก็มนไม่ต้องไปให้ค่าอะไรเกิดขึ้นก็มนไม่ต้องไปตีราคาอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ยึดมาเป็นตัวเป็นตนอัตตาอะไรเกิดขึ้นก็ตามมันก็รู้รู้ถูกไม่ได้รู้ปิดเป็นสัมมาสัมมาทิฐิมันรู้ถูกจริงๆตรงต่อสัจ ธ, ธรรม มันจะรู้ตรงความเป็นจริงก็คืออาการของธรรมชาตินั่นแหลนะบางทีความง่วงเกิดขึ้นมามันก็ไม่อํ า, าเป็นความพอใจไม่พอใจพอรูนะ้มันก็ผ่านเลยนะนะกลับคืนสู่สภาวะปกติมันก็สดใสปิ๊งนะนะมีพะละมีกําลังตื่นตัวขึ้นมาบางทีความปวดความเมื่อยอย่างเงี้ยเราปฏิบัติ มันก็เห็นชัดมันก็ปล่อยมันก็วางได้เหมือนกันเกี่ยวข้องต้อเป็นทุกกายเงี้ยนะทุกกายอาการของกายก็เกี่ยวข้องได้จะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนก็มีสติกำกับเยอะใหม่ๆหลวงพ่เทียนบอกว่าเวลานั่งจะยืนให้กำหนดนิดนึงปรับเปลี่ยนผ่อนคลายบรรเทาด้วยสติยืนจะนั่งก็เหมือนกันนะมีสตินิดนึง นำผึ้เทียนจะมีกิริยาท่าทางถ้าเราเคยดูสื่อท่านจะลุกเป็นยังหวะขณะที่ยกมือปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมันเมื่อยเต็มที่อล้วท่านก็จะจับเอาไว้ก่อนตั้งสติแล้วก็ตามรู้กำหนดมีการกำหนดขยับขาคุกเข่าขึ้นมาค่อยๆ เ, เท้าตีละเท้า ยันลุกขึ้นอย่างมีสติเจ้านั่งก็เหมือนกันท่านก็ทำให้ดูท่านไม่ได้พูดเป่าๆก็เคยเห็นอยู่หลวงพ่อเขียนท่านก็เน้นอยู่เวลาจะลุกเนี่ยไม่ใช่ว่าลุกตามความคิดนะไม่ใช่มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยนะถ้าความคิดมันขอก็ขอให้มันขอสักสอามครั้งก่อนเปลี่ยนเธอครั้งทีหนึ่ง ไม่ไหวแล้วเปลี่ยนเธอครั้งที่สองเราก็เดี๋ยวก่อนทักทวงมันหน่อยครั้งที่สามเปลี่ยนให้ก็ได้แต่ว่ากําหนดสติไว้เรานะก็ลุกขึ้นเดินอย่างมีสติเ้วก็ามาทำํำนะตรงนัน้นก็คือจุดอ่อนนั่นแหละนะเวลาจะลุกขึ้นนะเวลาจะหยุดเคลื่อนอย่างเงี้ยนะมันมีจุดอ่อนเขา อ, อยู่บางที่กิเลสพาหยุด บางทีความขยันพาทาความขี้เกียจพาหยุดอยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นถึงขี้เกียจก็ทําขยันก็ทำมันก็ทำไปเฉยๆนี่แหละรูนะ้สัมผัสรู้รู้สึกตัวนะรู้ตรงไปตรงมาจริงๆนะไม่แบนถ้าจะแบ่งก็ได้อยู่แต่ว่าเมืนะ่อทีเราสังเกตได้ มันกึ่งรู้ครึ่งหลงบางทีก็เผลอคิดบางทีก็มารู้สึกที่ฐานกายมันเหมือนเบล อ, เ, ลอเครึ่งรู้กึ่งหลงมึนๆทำนานๆตรงนี้หลวงพอ่อเขียนท่านก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนยีบทใหม่บ่อยๆสําหรับผู้ใหม่ที่พูดเนี่ยเวลาปฏิบัติมันจะทื่อมันเบลอมึนๆท่านบอกว่าให้เปลี่ยนยีบทบ่อยๆเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่มหมก็เคยเปรียบเทียบเหมือนกัน อารมณตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราเขียนหนังสือเมื่อยมือนะมือใหม่หัดคัดก็เอ๋ยกอไก่มันเมื่อยมือเราก็วางสองก่อนผมก็ยังชื่วก็มาเริ่มต้นเขียนใหม่หรือว่าดูจอคอมพิวเตอร์ดูจอทีวีดูนานๆมันก็แสบตาเงี้ยพักนิดนึงเดี๋ยวเราก็ไปดูใหม่ทํางานต่อได้ถือของเหมือนกันถือของแล้วมันเมื่อยมากๆวางก่อนแล้วเดี๋ยวก็หยิบใหม่เดินใหม่ กล้วเปลี่ยนอวัยวะใหม่ๆ ม, มันจะทําให้เกิดความสะดวกนะรู้สึกว่ามันสนุกกับการปฏิบัติถ้ารู้จักเกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะนั่งเดินยืนนอนแต่พอดนะีมันก็จะเป็นสุขาวิปัสสโกนะปฏิบัติง่ายๆนะแต่ว่ามันให้ผลเลือ่อนๆะสุขาวิปัสสโกมันเป็น สุขขาปฏิปทานะมันเป็นลันษณปฏิบัติง่ายๆนะมีความสุขการปฏิบัติไปด้วยนะสุขในที่นี้ก็คือความเป็นปกตินะจิตมึนคืนสู่สภาวะปกตนะิมีความพอดีพ่อนนะตึงพื้ยนยนยนพือ่อ้นตึ ง, งนะตึงกับเวลามันเช่นอารมณ์มันรุนแร ง, งนะมีความม่วงมากๆก็ต้อง อ, อ ขยีหน่อยนะขอยิกใส่หน่อยนะให้มันแรงขึ้นเร็วขึ้นอนยะ่างงี้นะรมันคิดฟุ้งซ่านมากๆอย่ากเี้ยเราใช่อิบาดให้มันแรงขึ้นเร็วขึ้นช่วยได้พอมันค่อยๆเหมือนกับว่ากําลังอ่อนลงนะไม่รุนแรงไม่ไปยศเราก็เออค่อยๆที่จะทาช้าลงหรือว่ากําหนดให้มันแน่นขึ้นนะคือ มันตรงไปตรงมาไม่ไม่ค่อยจะเหมือนกับว่าทำแบบกระแทกกระทันให้มันเป็นเรื่องของขนาดตาา่อขนาดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดมีความชัดเจนลองสังเกตนะถ้าเคลื่อนรั่วเคลื่อนครานี้ตอนที่เขาหยุดรู้ว่าหยุดหรือเปล่าว่าแนวหลงโปรเทียมมีเคลื่อนแล้วก็หยุด มีเคลื่อนแล้วก็หยุดคือขณะเคลื่อนมันก็มีสัมผัสรู้สึกใช่ไหมขณะที่หยุดมันก็มีสัมผัสรู้สึกเหมือนกันไม่รู้ว่าหยุดก็จึงอยากเคลื่อนหาว่าเราเคลื่อนไปยังไงไม่รู้ว่าหยุดอยากเคลื่อนเวลาเคลื่อนกันกั น, น, นก็อยากเคลื่อนไปแบบลอยๆหรือว่าไม่ใส่ใจบางทีมันเป็นอัตโนมัติไปเลยเคลื่อนไปด้วยคิดไปไหนก็ได้ มันก็จะเสียเวลามันเป็นกตัธ ก, กรร ม, มกรรมที่ไม่ให้ผลเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นต้องมีการเรียกว่ากําหนดไปหน่อยใส่เจตนาลงไปหน่อยเจตนาจึงเป็นกรรมฐานเพอทําไปทําไปทําไปทําไปมันก็จะจับจุดได้เองพอจับจุดได้บางทีก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องใน รูปแบบนะทางเดินจงกรมอย่างเดียวบาที่เดินไปนั่นมานี่นะเข้าของน้ําบ้างไปรับประทานอาหารบ้างหนะรือว่าเดินไปรอบๆอบภูเขาลูกนี้แหละนะบางทีมันก็เกิดความผ่อนคลายเหมือนกันเคยแก้อามให้นักปฏิบัติเขาเป็นมะเร็งมาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมมันปฏิบัติยากอยู่เวลาป่วยนะแล้วพอปฏิบัติก็ตั้งใจมากๆ ก็อยากกลับบ้านตั้งใจมาอยากมาประมาก็อยากกลับตั้งใจกลับก็มาขอมาบอกผมอยู่ไม่ไหวละมันมันรู้สึกว่ามันอยู่แล้วไม่มีความสุขก็อ้างะนะเรื่องการกินการนอนการอยู่สรับผู้ป่วยลาบากก็ตัดสินใจวันนั้นฝนมันตกแล้วันช่วงที่เห็ดโคลนมันกำลังเกิด ที่นี่เห็ดจ ะ, จะเกิดขึ้นมาหลายชนิดอยู่หน้าฝนเห็ดละงอก เ, เห็ดโคนคราวนี้ช่วงเห็ดโคนก็พาก็ตั้งใจจะพาเดินเที่ยวป่านะแต่ว่าออกอุบายก็ไปหาเห็ดกันดีกว่ <Yeah. S 1> ขาขณะที่เดินไปก็สังเกตจวนก็พูดก็คุยไปก็คลายออกคลายออกคลายออกคลายออกบังเอิญเดินไปเกือบถึงป่าช้ามันเจอเห็ดจริงๆ เป็นเห็ดคนกลุ่มใหญ่เลยคนป่วยนะก็จะชอบธรรมชาติเห็นเป็นธรรมชาติโปรตีนมันเยอะแล้วกําลังดอกพอดีพอดีอดไม่บานมากไม่โต ม, มากก็นั่งเก็บชวนกันเก็บสักพักเดียวเห็นโอ้ผ่อนคลายยิ้มเดินมีความสุขมากเลยบรรลุขึ้นกระพาทําทอย่างนั้นเองเอาไปเอามาก็ไม่ได้กลับอะ พอเจอลมที่มันผ่อนคลายขึ้นมานเกิดการปล่อยการวางบางทีเราไปคิดเนกะิดอารมณ์ขึ้นมาไปคิดที่จะนะแก้อารมณนะ์แทนที่จะกลับมารู้สึกตัวธรรมดาธรรมดานะี่ไปคิดแก้บางทีก็เกิดความไม่ชอบอารมณ์ขึ้นมานะมันไม่ใช่คิดแก้นะมันไม่ชอบเลยล่ะทําไมมันเกิดขึ้นมานะทําไมมันเป็นอย่างนั้นทําไมมันเป็นอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างนี้มันก็เลยเป็นปัญหาเลย ไอตัวเครียดไอตัวง่วงไอตัวเบื่อไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าอยากไม่ให้มันเบื่อไม่อยากเบื่อตัวไม่อยากเบื่อตัวอยากจะไม่ให้มันเบื่อตัวนี้คือตัวปัญหาใหม่แต่ว่านักปฏิบัติไม่เข้าใจจริงๆตัวเบื่อไม่ได้เป็นปัญหานะแต่ว่าไม่อยากเบื่อตัวนี้คือตัวปัญหามันเป็นปัญตัณหามันซ้อนเข้ามา อารมณ์ใหม่ที่มันเกิดการซ้อนขึา้นมาแต่เราก็ไม่ทันมันเพราะวาความรู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวเนี่ยมันยังจับไม่ได้ชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็เลยแก้ลงของตัวเองไม่ได้อันนี้มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเมื่อทีกําหนดแน่นไปกําหนดแน่นจนเป็นสมาธิแล้วนะอันนี้เป็นไปได้เคยเจอกับตัวเองนี่แหละตอนที่เก็บพารมมากๆ า, กากอยู่กุิสิบสาม แล้วเกิดมันก็เกิดสมถะกรรมฐานขึ้นเลยมันเป็นยังไงก็คือจิตมันจะดิ่งรู้ความรู้สึกตัวในขณะที่เคลื่อนเนี่ยมันดิ่งแล้วก็ด้ยความเพลียของร่างกายมันทำมาหลายวันฉันน้อยนอนน้อ ย, อยแล้วปฏิบัติมากเมื่อเกิดการเพลียขึ้นมาข้างใน น, นะจิตมันก็เหนื่อยใจนย มันก็เหนื่อยกำหนดมันแน่นแม่ไปเที่ยวเลยมันจะไปไหนก็ดึงมันกลับจะไปไหนก็ดึงมันกลับอยู่แล้วคราวนี้มันก็เลยตกระวังยกไปยกมาในมือล็อกกึ๊กเลยนะมือล็อกเราก็เห็นเลยอ้าวมันล็อกกันเนี่ยแล้วก็สั่งตัวเองไม่ได้เลยจะให้มันเคลื่อนเดียนะจนสักพักหนึ่งอะมันรู้สึกว่าเห็นอะไรบางอย่างขยับอยู่ข้างใน ขางในจิตเนมันมีอาการขยับอยู่มันเคลื่อนพอไปสังเกตตัวนั้นนะคลายคลายคลายคลายคลายคลา ย, ลา ย, ลา ย, ลายเออคือสู่ธรรมชาติได้อีกมันเข้าไปล็อกอยู่ข้างในอันนั้นครั้งที่หนึ่งนะข้างที่สองก็คือมันทําไปทําไปปรากฏาจิตมันเข้าไปล็อกคราวนี้มันดันมองทางตานตาไปกระทบกับข้างนอกนเป็นแสงสีเหลืองหมดเลยอะมองไปไงี้เหลืองเ อ, อ้อแปลกมัมีร่องแบบนี้ด้วย บางวันเนี่ย น, นั่งตรงนี้ก็เป็นบางวันนั่ง น, นั่งเอาตกล้องนี่ก็แล้วมองตรงนี้ยจะเหลืองแล้วก็เหลืองอย่างงี้นะเหลืองว่าหายเหลืองว่าหายเหลืองว่าหายเป็นขนาดเป็นขนะดบาทงทีก็เหลืองเหลืองออกเขียวๆนิดๆอะไรเงี้ยมันหลอกทางทีเลยถ่ายสมาธินะนิมิตเกิดขึ้นเราก็เออรู้ว่ามันเหลืองเหลืองก็เลยเล่นนะเล่นกับตัวเนี้ย ทำไมพอมันอยู่ตำแหน่งตรงนี้มันเหลืองก็ถอยๆไว้มันก็ธรรมชาติเนี่ยเข้าไปอีกอเหลืองอีกอ่ะมันเป็นฐานสมาธิเพราะนั่นเป็นไปได้หมดเลยเวลาเราปฏิบัติจะมีประสบการณ์เป็นสมถะหรือว่าเป็นวิปัสสนาอันนี้คือประสบการณ์ไม่ใช่ไหมไมยว่าถูกหรือผิดแต่ก็มันสังเกตไว้เราเจตนาเคลื่อนไว้มันจะมีอารมณ์ต่างๆมากมายเหลือเกิน เป็นปรากฏการณ์ให้เราได้ตื่นตาตื่นใจตื่นทุกข์นั่นแหละเราก็ไม่เสียวเวลานะการมิตต่างๆนะทีนะ่มันเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วมันจะเข้าไปนะเสียวเวลาแต่บางทีก็ดีเหมือนกันนะมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่นะดีสำหรับนักปฏิบัติมืออาชีพนะที่ได้เข้าออกเข้าออกในตาแหน่งต่างๆจนกระทั่งมันชนานาญ ควารู้สึกที่ฐานกายเหมือนกันในรูปขัน์มันมีเยอะเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกจนกระท่งมันชำนานอย่างเงี้ยรู้ว่าจุดนี้คือเป็นอาการของรูปธรรมพอจิตเข้ามากําหนดตรงนี้ปั๊บมันก็จะเกี่ยวข้องกับรูปแล้วแหละมันจะสั่งอะไรหรือว่าเวทนามันเกิดขึ้นมาที่กายมันจะสั่งอะไรเราได้สัมผัสได้เห็นหรือว่าเข้าไปในอาการของจิต ที่มันเป็นสมมติฐานของตัวคิดอย่างเงี้ยตาแหน่งของตัวคิดนะเวลาเข้าไปอยูนะ่มันเป็นอวัธฐานมันจะปรุงแต่งยังไงเงี้ยเราก็อ๋อสังเกตได้นะทําไปทําไปทําไปทําไปมันก็จะมีนะสติรู้รูปรู้รรนามสติรู้นามรู้รูปเงี้ยมันมีอยู่เห็นเป็นวัตถุเห็นเป็นอาการนะเห็นเป็นลักษณะของปรมัาฐาสภาวะนะ ก็คือวิปัสนาญาณนนมันจะเห็นเป็นวัฏฏะสภาวะตากระทบรูปก็เป็นปรมัทิตยนะโอกระทบเสียงก็เป็นปรมัทิตยอย่างเงี้ยตาก็คือรูปรูปที่มากระทบมันก็เป็นรูปเหมือนกันอย่างเงี้ยจิตก็ไปเสเวยแต่ครนี้เสเวยด้วยอะไรได้วยความรู้ความหลงถ้าเป็นความรู้ก็แตกฉานออกไปถ้าเป็นความหลงก็เสียไปลำเวลาอยู่ตรงนั้ น, นอีกพักหนึ่ง นะ่มันก็สนุกอย่างนี้แหละแต่ว่าใหม่ๆอย่าไปหานะอย่างเช่นพูดเนี่ยก็อย่าไปหาสภาวะข้างในนะพอพูดให้ฟังนะพอที่จะเป็นแผนทีนะ่เดินทางของนักลบเฉยๆนะนักลบก็ต้องมีแผนที่หน่อยมันก็ถือว่าได้ได้แผนที่ได้ชัยภูมนะิจากการฟังเพื่อที่จะคลนะ้ายๆายกับมีการเดินทางนะที่รอยอยู่ข้างในอีกต่อไปนะ เราจะได้ไม่หยุดหรือว่าไม่ท้อแท้ไปซะก่อนหนทางข้างหน้ายังมีอยู่อีกยาวไกลเหลือเกินโดยเพราะทางเดินที่เรียกว่ามรรคผลแล้วก็นิพพานที่มจะเกิดขึ้นมาเนื่องจากที่เราฝึกหัดปฏิบัติทำจนกระทั่งเป็นมืออาชีพเลยเป็นนักกรรมฐานมืออาชีพก็คือทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบทั้งในหน้าที่การงานกิจวัตรประจําวันต่างๆ การนั galera, ่งการเดินการยืนการนอนการกินการขับท่ายต่างๆก็เป็นความรู้เนื้อรู้ตัวการพูดการนิ่งหรือว่าการที่เราจะเกี่ยวข้องกันตามสมมติวันหยติต่อไปอย่างเช่นว่าก็เกี่ยวข้องกับพระสองให้เป็นทิศเบื้องบนอย่างนี้เกี่ยวข้องกับบริวารเป็นทิศเบื้องล่างพ่อแม่เป็นทิศเบื้องหน้าเออขออภัยเออก็ถูกแล้วทิศเบื้องหน้าครูบาอาจารย์ ให้อยู่ขวามิตรสหายให้อยู่ซ้ายลูกเมียสามีให้อยู่ด้านหลังอันนี้ก็สมมติกันไว้เกี่ยวข้องตามความสาคัญตามหน้าที่ต่างๆคนไกต่างๆของสังคมหรือว่าชุมชนมันก็จะเป็นลักษณะของกรรมฐานที่มันขยายผลเป็นความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมผัสสัมพันธ์จนเห็นรายละเอียดต่างๆ เรื่แล้วแต่เป็นครูสอนเราทั้งหมดนะอารมณ์ตามต่างๆเราก็แก้อารมณ์ของเราผ่านตลอดด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวเราไม่ได้คิดเราไม่ได้ปรุงแต่งเพื่อที่จะให้สภาวธรรมมันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการนักปฏิบัติก็ยิ่งต้องดูนะธรรมมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการแต่ว่าธรรมะมันกำลังปรากฏกำลังเป็นขณะต่อขณะเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าขณะนี้นี่แหละ มันเป็นเขาอยู่ตลอดเว ล, เวลาเลแต่ว่าสติปัญญาของเรารู้เท่ารู้ทันผ่านด้วยความรู้สึกตัวหรือไม่ตัวนี้สงคัญอ่ะกรพืดให้ฟังนะตอลอดเย็นนี้กลับพร้อมกัน